ครั้งที่สามปีสองพันห้ารยเก้าเดือนมกราคมนี่เป็นเรื่องอีกตอนโต้แย้งในเรื่องการปฏิบาาัติข้อใดคือการตีความงในข้อขยันสิขาบทน่ะิดขัดแย้งกันทั้งข้นะเงขอเป็นต้นเหตุในแต่ละประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเป็นความขัดแย้งกันใ น, ในเรื่องพัฒนคทางธรรมข้อความอันนี้นะ่ะมีปรากฏตัต้งแต่ขัง้งพุทธการแล้วคือในครัง้งพุทธการนะ่ะมีพิกสูจํานวนมากที่เข้าใจพุทธพจนิตริก ตั้งแต่สมั ย, ย, ยรพระเจ้าลังคงงขรุนอยู่แต่ว่าเมื่อพระองค์ยังทรงขรนอยู่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ขาดว่าความกระแดอันนี้นะ่าถูกหรือผิดแต่เมื่อพระองค์มีพานแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ขาดว่าความกระแต่อันนี้ถูกหรือผิดที่สุทั้งหลายก็ต้องยึดเอาครูบาอาจารย์อุปชากของตัวเป็นที่พึ่งเป็นตสะนะถ้ะมามีการขัดแย้งอะไรเกิด ข, ขึ้นก็ย่อมถามถ่อุปชาอาจารย์อุปัชาอาจารย์ก็เป็นผู้ตัดสิน อุปชาตออุปชาใจใจเนี่ยก็มีความแข่นขับแย่งกันด่าเป็นธรรมดาเชินว่าในขั้นพุทธการเพราะว่าโลกสิขับใจธรรมะเพระองผิดผิดที่สุราวนหนึ่งได้แสนหึงสาวัตถีเข้าใจว่าหน้ามโนสติผิดนึกว่าการที่หลาจะเริ่มถึงความตายนั่นน่ะเป็นการเรามาฆ่าตัวตายกันดีกว่าเขาไม่เบือนายเบือนายชีวิตยิ่งมาพิจารณาอัภาพกรรมฐนมากแล้วอย่างนี้ไม่อยากจะอยู่ในโลกเลยไม่กล้าฆ่าตัวตายเองกจะผิดก็ ข้าข้ารบราชีพขรัวมีารบคนหนึ่งรับอาชื่อี้ขรัวมกนรวยรับอาชรับเจ้าขี้ขรัที่เบือหนายเรือล่า่ฟังขานเพราะว่าเดกเจริญบรรลังสติมากอจุากมฐานบ้าก็ั้งเบือหนายอยากจะปดลงเปนทีแล้วากเบือโลกเป็นทีผู้น่อยเนี่ยพวกนี้เป็พวกนิษฐนว่ความิจเป็นสินหมเนี่ยมเขาจาวจเป็นเนแต่ว่านุ่งจะเข้าใจสติเป็นมีความ ธรมรมะในข้ออสุธากรรมฐานกับปริมาณวิตติว่าเป็นการกทำให้เกิด เ, เทดาาดดเ ท, น ท, ทนินิจกเกิเาามมขขดขึ้นเจ้าเขาเชื่อคออวบาร์เขาทั้งพระในเขตตะวันเบาๆคิคุ้มกับเพราะต่กระดาเดกดาวฤกษ์นี้ถามเข้าไป้มือภาษาที่รกเเห็นขับขังในนักปัษาเยเอ๊ะเขาไม่เาปัาใหม่นี่้าาในบานาไปเธอไปไหนกันหมดเนี่ยพระอารมณ์ก็ก่าวภูณาเหตุลกเธอเหล่านั้นน่ะเข้าใจกรรมฐานความหมายกรรมฐานผิดจะเรียนสุากรรมฐานมากๆปริาณวิติมากมาก เลยเบือ่อนายเบือโรคโบยชีวิตไม่จ้าข่าตัวเองไม่จ้าไม่ช่างท่างปัดผมแม่วามีโกนชื่อคอตาจะเป็นเขาเอาแล้วพระเจ้า่ะตั้งแต่นั้นเงต้นมาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขีขาบทในเรืนี้ข้าแม่พระจะทำใ น, นนี้แล้วก็เรียรรกประชุมสงฆ์ับความข้าใจว่ากวามหมายเ น, น, น, นี่กอาตมากรรมฐานกับราิันเป็นการเตือนปติกมมตัมาดหลงไหลต่อเมาไรเมาอายุเมา ال, ปัดมบัดเมายยเมาโรก ไม่เกิดความเมาในสิ่งเหล่านี้มาเด้๋หมายความว่าสดตรงถึงตลกหนีไม่ได้เพราะว่าการเลือนล่างล่างกายกลามทุกข์ต่างๆล้วนแต่เป็นทุกข์ัตว์จะต้องกําหนดรู sm sm sm sm ้กําหนดรู้ทุกนะจะละทุกไม่ได้ละต้องละสมุทัยคือเหตุของทุกมันจะละที่ตัวทุกตัวทุกละไม่ได้ต้องละโดยเฉพาะเหตุของทุกคือสมุทัยอันเป็นฝ่ายประหาสกิจเพราะฉะนั้นเมื่อทรงทสดงอย่างนี้พระกเข้าใจ ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็มีการค่าตัวตายเป็นอต่อไปนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่สุภุมินามว่าสาสิที่ที่คุที่อว่าสาสิกเป็นลูกชาวประมงเข้าใจความผิดในเรื่องว่าทรงกระดนถึงกฎของกรรมและกฎแห่งการยืนไหว้ตายเกิดที่สุธาสิประปีความว่าทางพุทธศาสนาก็ยอมรับว่ามีอักขมันหรืออักตา เป็นตัวที่ยืนลงอยู่ในวัฏจักคอยยืนไหวาตายเกิดอยู่เป็นผู้เป็นตัวที่จะรับกรรมรับบุญบาปในวัฏจสตตงสารอยู่เขาใจอย่างนี้ว่าอัตตาถึงบัญญัติจนเหล่าวิญญาณบ้างติดบ้า ง, างมโนบ้างนี่แหละเป็นตัวไปรับบุญรับกรรมรับบุญบาปในวัฏจักเมื่อพระองค์ทรงต้าท่าก็เรียกที่สุสาติดมาตำหนิบอกว่าที่สุสานติดีกเป็นโมฆ บ, บุรุษเข้าใจธรรมะพระองค์ผิดแมเรื่องนี้พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนี้เลยก็อปรับความเข้าใจกันใหม่อย่างนี้ก็มีเออ ท่าไม้คือปันจักรงค้าเียแพระอุทายีเรื อ, อ, รอเวทนาช่างคือว่าพระอุทาีบอกว่าเวทนาน่พระพุทธองค์ทรงแสดงน่มีสอง่างไม้ปัจักรงค้ามีสมเนี่คือว่าเวทนาเนี่ยสาที่ได้โสมนัสัรโสมนัสงวงอุเบกขาบุนพกบังงบอย่างนี้ต่างคนต่างเสียงกันความจริงอุเบกขาเวทนาถ้าจะสงเคราะแล้วจะเป็นโสมนัสนเวทนาอันตรานี้ เป็นเป็นคนเบิกนาพิการนี่จะเถียงเป็นบัอยัติอุเบขาเนี่ยแต่เนื่องจากอาจารเข้าใจในหมวดภรรมนิชขทางอุบาสกปัญจการคะกับทิฏุขายีก็ปบกเสียงกันว่าควางจริงเนี่ยเขาต้องการ้อยสองอีกคหนึ่งวาความจริงนี่ยสามในท่ฏุไม่มีอันตกลงกันได้ก็ในเจ้าพระักรนไดพระสว์กก็ชี้ขา่ว่ายาว่าใจสองเลยเวกานาจำแนกออกไปงอีกไกลไหนยะ เวทนา6ก็มีเวทนาติดแปดตัวมีจนกระทั่งเวทนาร้อยแปดประการนี้เนี่ยแจกไปแล้วแจกไปได้แล้วแต่ว่าหมู่ธรรมะนี้ไปอยู่ในสมเขาะในหมูดอะไรก็ย่อแจกก็ได้ตามสูตรในหมุดนั้นในขั้งพักตากยังเป็นถึ ง, ถงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระสัจดาดับขันลงการตีความธรรมะในหมู่พระสาวกก็ออย่อมมีเป็นการขัดแย้งเป็นธรรมดาเรื่องที่ขัดแยง้งครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นตอนทมทุกขียาสขายย้ายนะ มีที่สูรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาเทศมหาเทว ม, มหาเทศพระมหาเทศผู้นี้น่ะเป็นบุตรพ่อค้าข า, ายเครื่องหอมในเมืองมักูราในแควตะวันตรีภาคตะวันตกของอินเดียท่านผู้นี้น่ะต่อมาได้ออกอิปตมบทในโกกุตารามเมืองตาตีบุตรรูกพระไลรปิฎกแตานวันหนึ่งเป็นวันที่ข้าขาสงรมปฏิโมกขถึงวาระ่พระมหาเทศจะเป็นผู้รวจปาฏิโมกในข้ า, ามจา่งพระมหาเทศตอนจะสวจปฏิโมกก็เส น, เนอพัชระ ขึ้นมาคนนี้ว่าอัิอราห โ, โ, โตราหโออักิราหโตตริตารยาตยิราตราตยรติอัิราหโตกังขาลังนี่อัิราหโตอ่ิกิกกขาลังสียกตัวยอย่างทีงบ่บอกว่าฟาลาห์นีย่ยังอาจจะมีราคาอยู่ได้ฟาลาั์ี่ยังยังราคาได้ถามว่าทไมถึงมีราคาอยู่ข้อนี้ใน ค, คากิจารวัติผู้นในไขว่กวาซึ่งเทียวกับทนะฟาลาหา์นทศนะฟา์น่ะพิสุ ในคณะมหาเถรตามที่ขอบวามในตำทีกระถาวัตถกุกล่าวไว้ว่าเป็นชื่อของนิกายมหาสังกิจักทำทีกระถาวัตถุแหก่าถึงนิกายมหาสังกิจักว่ามีทัศนะถึงคุณลักษณะป่ารหารตัตแตกต่างไปจากที่สุขสารกายแกล ว, วคือกล่าวว่าป่ารหัตยังมีความสันดะาะตาของมีความสันดาบหูของมีความสันดววาบ พระอรหันต์ก็ยังอาจจะถูกมารยั่วยวนเทวดามารมายั่วยวนได้นี่เมื่อาาร พ, พระอรหันต์เียถูกเทดามารยั่วยวนได้พระอรหันนีอาจจะเกิดกหลับได้ในความฝันไม่ใช่ในชีวิตจิงเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จริงมีราคะหรือว่ n. นี่นี่เป็นมานัข้อข้อหนึ่งหรือมีความฝันก็มีราคะด้วยอ่าข้อข้อต่อมาพระอรหันต์ยังอาจจะมีตังขาได้หรือความตังขาเป็วความสงสัย กำลังสอยู่มูลเดียที่พระมหาเทพจะบรรลุจังนี้นะอันนี้เราก็จะเชื่อตำนากไม่ได้นะคือเป็นเรื่องของประวัติต่างนิกายต่างเขียนอาจจะเป็นการใต้สีอาจารย์อีกนิกายหนึ่งก็ได้เป็นธรรมดาคือว่าระวัติมีประวัติพระมหาเทพหนึ่งเขียนโดยภิกษุต่างนิกายในคัมภีร์กระถาวัตถุระบุชื่อนิกายว่านิกายตักพัทพะิกรยาะะ เ ร, าารื่องในภาษาสันสกว่าประวัติีวะพะในบาลีคือสัพพะถะสกาวาอานินการนี้เราบอกว่าพระมหาเทศเมื่อยังเป็นคัรหะอยู่เนี่ยข้าพ่อตายแล้วก็เป็นคู่กับแม่เลี้ยงเป็นสีเป็นิทุขาวัานหนึ่งะ้าทาหารชาเมุกบุราเป็นาเมืองเดิมา ม, ามาทั้มาพบกินข้าที่เมืองตาเปบุพระมหาเษัโกหนองค์นี้จะไปแจ้งคามทางมานดมันจับโัวเขา ถ้าตัวไปข้าพ่อ้า่อไปจุดเจ้าตัวเองแล้วหลบหนีไล่ตะพันมาอยู่เมองปาติงบุตรท้าอาหารลงไปอีกมีตุ้าบแล้วอยาหอทห้งตะคาอีกอานามตรายกรรมหนักนักเท่านั้นแหละแล้วเลยนีไปบวชบวชไปปองช่วงตัวนี้ไปบวชเมื่อบวชแล้วอยากจะหาลูกศิษย์ลูกหาบตพวไม่ได้นักผลก็อ้าวว่าตัวได้นักฝนออุตริกลุ่เสทำา้าวบอตัวไปท้าอาหารแล้ว คือพญาต้อนลูกศ hey. ิษย์ว่าคนนั้นเป็นโนสดาคนนี EN ้มีสกิตาคาออกประกาศนิยบบให้เขาว่าเขาเป็นโสดาบันนี่เป็นสกิคาคาันเป็นอนาคามันเป็นอาลังหันมผู้ศิษก็ชอบไปเออเราไปปฏิบัติกับท่านพักหนึ่งออกมาเป็นโสดาแล้วแล้วไปปฏิบัติอีกหน่ำนักท่านพักหนึ่งออกมาเราเป็นสกิคาคาแล้วเออเราไปปฏิบัติกับท่านพักหนึ่งออกมาเป็นนาคาแล้วแม้เราประกาศมาเพราะลูกสึษย์ว่าแต่เป็นโสดาสกิคาคาอนาคาหันโอ้เต็มหมดเลยมากไหมแม้ผู้ลาปการะก็มือลองกันมาทีเดียว ลูกติดเหล่านั้นวันหนึ่งก็สึกษาธรรมะแล้วก็สงสัยว่าเออธรรมดาอรหันเนี่ยยอดบมดวางสงสัยจังขาในธรรมธรรมแล้วยังสงสัยเรื่องอริยปัจจารเออวิ่งมาหาอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าผมนี่เป็นอริยบุคคลแล้วใช่ไหมข้ามาพข้บอกใช่แคนี่แหละเป็นอริยบุคคลแล้วเอนั้นผมยังทํามยังเกิดคาสงสัยในเรื่องอริยปัจขึ้นมาติดจึงก็ไม่รู solo, ้แ้ห <im> าอาจารย์มาข้ามาหาเพอกหทางออกไปว่าโอ้ ธราราอาหารเนอจจะมีการขได้เรื่องเล็กนิดนางน่้มีป็มดาีมีได้ไเปไอ่ะแล้วู้สึยก็พอใจอาจารย์บออาหยังมีการขาแต่ก็พอใจกันไปอี ก, อกออแบบแวันหนึงต่อมาบรรดาลูิอ่านในพระสูตรในพรกสูตเล่แต่บอกว่าอะริยบุคคลท้านมักเก็บผลแล้วคนกระตักกรมอโยกิทธิี่จะต้องทากับทาจบแล้วเพรามัน จ, จำมิจะประพฤก็อยู่จบแล้วขาดไปสิ้นแล้วทำไมอีกตัวนี้แล้วรู้อยู่กับตัวเองจนกระทั่งที่ ทำไมเราไม่รู้ว่าเราพอประจังจ เ, เราไมรู้ว่าชาเราสินเราไม่รู้เลยเขาบอกต้องรออีคนอื่นเขามาบอกเรารูน้นะหวังว่มอาจารย์อาจารย์บอกโอยเรื่องเล็กนั่นแหละธรรมดาเราจับรรลุนั ก, กผลได้ต้องอาศัยอาจารย์พยากรนะาอาจาไม่รับรองเราลตัวเองไม่รู้ตัวเองมรงมรู้อะไรหรอกไม่รู้เพราะว่านิทานอารมณ์นิทา น, น, น, านนะเป็นภาวะที่มือมันดยัดโลกเพราะฉะนั้นเอาอารมณ์ทางโลกมากข่าคะแนนนิทานไม่ได้มันพมันหยัดเพราะอาจารยอาจารย์จะเข้ารู้ก่อนพยากรณ์นะหวัง แม้เราว่างนี้ลูกสิษก็สบายใจลูกสิต์นะพอสบายใจไปด้วยอีกวันหนึ่งต่อมานอนหลับไปกพเอินกุติฝากัะนของกุติธรามาหาเทศก็ลูกสิษยหนักนะมันอาอจจะบางไปหน่อยธรมาหาเทพนอนไม่หลับคขาคิดถึงกรรมช่วงตัวที่ตัวตร้างสรางมาเกิดตัวอบายขึ้นมาอุทานว่ากุ้มจริงงวดกุ้มจริงงวดกุมจริงงวดตะตกนนี้ลูกศิษย์นอนคนละข้างฝาได้ยินเสียงเขา่า อ, ะ, อะไ่ไมเรบ อ, อกกลุ่มจิงเวยทกิงวยม <c oughs> ่ีทีเดแล้วบ้าแล้วกันไม่ไดุ่นี้อาจารย์ตื่นคือต่อาหาจามันไม่เลืออะไรกันเลยละลุงครับอาจารย์ครับเมื่อ้ผมได้ินที่อาจารย์บอกว่ากลุ่นนมจิงเว้ยทุกจริงเว้ยอัอ่อย่งนี้เลยครับามาเพศหน้าซื่ทีเดียวตอนนี้แต่ว่าธรรมดาคนฉลาดจะหาทางออกได้หาเพกจะบอกว่าอ๋อมักผลจะเกิดขึ้น ผู้ที่จะทำก็ต้งเป็นทานว่าทุกหนอทุกหน่อนักศยมเอห็นทุกมันเองะเห็นทุกกรตาแล้วก็เป็นฐานว่าทุกหนอทุกหนอทำนี้ทีกระตาถูกคือบอกว่าทุกขาหาโรทุกขาหาโกรทกคันาทุกขตาิบาิาเรยาติกทุนี้เป็นเหตุที่ขาไม่ได้ถึงมาเิตารยาต่คอคุเด็กนักพยายามพยายามเล่นลหกตอนที่เปล่งเขาก็ทุกทนี จะเป็นเครือมืถึงมรคยาของเรื่อายา อ, ย อ, ยอย่างนั้นหรือ <c oughs> เป็นกระพูดในคำพิจาราปสุท่านมหาเทพคุมลุมคามหินก็งหมดแล้วก็เส น, เนอในที่ประตูสูงในที่ประตูวในวันนั้นไม่ต้องทําันไดโต้โต้ตะกแต่ตะีเสียหน้าตี๋บรรดาที่สุทดที่เป็นธรรมดาทีก็พัดพานบอกความเห็นนี้เ็นามอามารทมาเสนอความอย่างนี้เป็นการหนของมารโอยตกลงทัางเจากันไม่ได้ร้อนถึเจ้ากาลปก เมือเด็จมาพ้ามาหาพวกก็เสนอให้ข้าวาตระกูลให้วิธีตัดติงอภิกรเรียกว่าเย้คุยเยติกาอภิกรณะอภิกรณนะธรรมชาติวีธีเขวิธีที่เขาเลืออาคะนนที่เขามาเป็นเกปรากฏว่าผู้มาดูมีมากชนะคะแนนบรรดาที่ฝ่ายธรรมราธีฝ่ายแพ้ธรรม่าธีชนะตั้งแต่นั้นมาาผมก็แตเป็นสองขั พวกมหาเทพได้ว่าพวกวิจายมหาสังกิตับแต่ว่าีกจายที่มีพระพวกมากเป็นเป็นสาเป็นสายเป็นสายที่สุตตระเวลาทีเป็นพวกน้อยเป็นพวกเทรวาทีก็อบยักษ์ตัวเองออกจากเมือปาติบุตรไปอยู่แค่หนึ่งอยู่ในแค่หน้าโคตรไม่ได้แล้วพวกอาธรมวาทีลูกราณแล้วจนแล้อยู่ไม่ได้อยกเป็นสองอันนะนี่นี่นี่เป็นข้อความในคำพีซึ่งเขียนโดยที่ตุตังวิจายเขียนนะเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาข้อความในคำพีสถารัพถูก ในเรื่อลักษณะของพ ร, ระหันตว่าพระอรหันตน่ะมีราคาได้ไหมพระอรหันตน่ะยังมีการขอได้ไาหมาพระอรหันต์น่ะยังจะต้องเป็มคำว่าทุกหนทุกอย่างนั้นหรือนี่พระอหันยังมีความสันได้ไห ม, น, ม, น, มนี่ตามมกจะต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์เส ม, มอไปหรือนี่พิรยรวมเป็นห้าข้อเในห้าข้อนี้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระรหัน์ ในหข้อเนี่เราถู้คุณลักษณะภาพาหารเราก็มานิ้นขายว่านี่เป็นความเห็นของบรรดาเจตาจารย์ที่แตกต่างกันในทางขัตนะคัมธรรมเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่พระโมคคิรบุตรติสเถระเจ้าต้องแต่งคำพีคาวาถูกึ้นคือที่คาดความเห็นเหล่านี้ว่านิกายอื่นก็เห็นอย่างนี้นิกายเทรวาทีก็เห็นอย่างนี้นิกายเทวาทีเห็นอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักะคุาวันนี้จะไนมาพูดกนเออคุณลราหาน ข้หาหลังละทุกคนไม่ข้อเทียมนี้วางหรือไ่ขอนีู้้อย่าว่าแต่ขาังเลยแม้แต่ทนายีบุกคนที่เป็นมุกชลยังมีสถิตจไม่ทัญงหแล้วหลับไปก็ไม่หลังทนายีบุคนนะที่เป็นมุกชนได้แต่พูดการไม่ฟลังแล้วมีสติว่าทัญยัดในการหลับจะป่วยกล่าวยายกับผาหลังที่เป็นผู้ ท, นะที่ทำให้สถินะตจะไม่มทันยันนนนดย ถ, ถึงแค่ไปดนอยู่เนี่ย จะมีฝันได้อย่างไรในข้อนี้เป็นการขัดแย้งกับกุศอย่างโจ่งแจ้เพราะว่ า, ว ก, ว ก, ก, ากุศลจากอดีตมีมากในบาลีสังทิตาลายก็มีในอันกุษตะอักายก็มีกล่าวถึงว่าทาราทีบุคคลเน่นไม่มีฝันฤาษีแต่บา ง, บา ง, บางก่อนปางปางก่อมาถึงปางต่อผิ้จการที่ทำช้างาก็มาบาดเจ็แล้วชิงข้าราการจ่ารดาษต้นุจักกระดาฤาษีเหล่านี้ยังไม่ฝันเลยจะเปลยย่ยนลากะับจับผ้าหันนครั้งผการจะฝันได้อย่างไร อันนี้ก็แปลว่าเทวาราชไม่ยอมรับเขาที่กระทำวุตก็ไม่ยอมอรับในข้ามีใจนี้อาหามีฝันเลยกันโดยดยกขุตโตษว่าธรรมราชบุคคลนนะ่ะยังไม่มีฝันขึ้นมาอ้าวลบล้างมติของฝ่ายที่ถือว่ามีฝันประการหนึ่นงในตรที่ข้อว่าถ้าอารันน่ะยังอาที่จะมีความสงสในธรรมได้ไม่ข้อนี้หลครับ ในใวัฒนการท ah ี่ต่อมาให้เกิดในพุทธศาสนาฝ่ายมาหายานข้อหนึ่งขึ้นคือว่าในฝ่ายมาหายานน่ะถือว่าอาวรนคือเครื่องจีดขวางนิพพานมีสองขั้นขั้นหนึ่งเรียกว่ากิเลสอาวรอาวรนคือความจีดขวางทองกิเลสอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าเยียวาวรอาวรนคือเครื่องจีดขวางได้แต่ความรู้ท่องในความรู้อันหนึ่งท่องชกกิเลส อันหนึ่งข้่องชอบในคล่องในความรู้สองอย่างนี้กันนะกิเลสยาวรือความคล่องชอบกิเลสเยียาวรือคามคล่องชบความรู้ฝ่ายมหายานบางนิกายไม่เห็ทั้งหมดบางนิกายเราพูดมหายานเราพูดถึงบางนิกายเราจะเหมาหมดไหมล่ะบางกายเช่นว่าพวกนิกายเซงนิกายธรรมลักษณะนิกายเทนไดนิกายโยโดนิกายพิม นิจกายเหล่านี้ถือว่าพระ่าหันนั้นทําลายได้แต่ความคล่องแห่งกิเลสแต่ไม่สา ม, มารถจะลความคล่องในความรู้ได้เพราะง่ายว่าป่าหานันนำกำจัดกิเลสฝายกวนได้แต่ไม่สา ม, มารถจะกาจัดเยียยาวนเยียวยักษ์ความรู้คือยังติดข้องในนิทานยังมีความยึดในนิทานอยู่ภายหลังโอป่าทานยังมีละหมดแล้วยังมีธรรมโนป่าทาน อุปาทานในคมเป็นคำละเอียดอยู่ในคำนั้นคจึละไม่ได้ละได้แต่ิเลสแต่ละความชอไม่มี้านไได้คำ น, นี้เป็นคำอุปาทานไม่จึงเยยวาวยแต่มหายาในกายมัธยามิการือว่าถ้าอ่านนะั้นละได้ทั้งเยียวยาวยละได้ทั้งกิเลสปาววยละได้เพราะว่ากิเลสาวได้แก่อ้างการความยึดถือว่ามีตัวเราของเราความทีว่มีตัวเรา ยาวนานเป็นมากมกายแต่อคือความยึดถือว่ามีของของเราตระหนกตัวเราละได้แล้วของของเรามันจะอยู่ยึดมันจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีตัวเราของของเราสิ่งนี้ตระหนกตัวเราละได้แล้วเฮ้ยถอไดแล้วไอ้ของของเราจะอยู่ไปได้ตัวรู้กับสิ่งที่รู้ผู้รู้กับความรู้เมื่อผู้รู้ดับแล้วความรู้จะมีอยู่ได้อย่างไรนะ เราก็แยกผู้รู้กความรู้ออกาันไม่ได้ที่ใดมีผู้รู้ที่นั่มีความรู้ที่ใดมีความรู้ที่นั่นมีผู้รู้อันนี้เหมือนพระหนึ่งก็จะพูดว่าความอินกับคนอินคนที่จะอินได้ความอินมะแยกออกจากกัได้ัหมเราบอกแยกความอินว่าทางานจากตัวเราแยกออกจากได้ไหมแยกไม่ได้แล้วผู้ที่ความอิ่นนั่นก็คือหมายถึงคนด้วยคือคนนั่นแหละเป็นผู้ที่ได้ความอินอันนั้นเราจึงอาศัยคนเป็นประพฐาน ในการมันยัดความอิ่มขึ้นมาชั้นใดคนที่ละกิเลสละอาหารการความยึดมั่นในตัวตนเราเขาไ้แล้วมามังกรก็อหอยละดอกของของเรามามังกรเพราะฉะนั้นธรรมะในที่ศาสนาในในมีกาทรพิรำวจึงถือว่าผ้าันจะมีกำขาในธรหมเลยจะผูกได้ใธรรมะเลยแต่เขาว่ า, าวมีแค่รูปเงินนะ ท, นท่านบนะุติดกกล่าวว่านจิ ต, จรรตจสภาพระเบ ว่าพระอรหันต์ามประเภยังมีปติรูปวิจิตริชา้ี่วิจิตริชามีัองอ่างหรือการขอหน่งมีสองอย่างวิจิตริชานายทำอย่างนี้พระอรหันต์สมุคคุ้มทังละไปหดแต่วิจิตริชานา่ปติรูปปฏิรูปปฏิรประเภศปฏิรูปพระอรหันต์ยงละไม่ได้ปฏิรูปแต่วิจิตรอิชานายละไม่ได้ปฏิรูปวิจิกราคืออะไรและพระอรหันต์ประเทศไม่ละไม่ได้ พระอารันตเปับรรยาวิมุตตละปิรูปวิสิทช้าไม่ได้ปฏิรูปวิสิทธิ์ช้าได้แก่ะถานที่ถนนหนทางบ้านเมืองชื่บุคคลที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักยกตัวอย่างว่าันตไม่เคยมาเมืองไทยเลยข่านมาแต่นเดียวเพระเป็นบัญยาวิมุตติคนด้วยจะ้านมาพุทมาคมมไม่มีใครตามาทนมาไม่ถูกแล้วคำถามครับบอกอะไรทางเราพุจธมาคมเนี่ยเขาไปทางไหน่ะ ยังสงสายอยู่ว่าไอ้คนขโมยขนทางก็าไม่เคยถาไม่เคยรู้ท่านยังสงสัยในถึงกโมยขนทางในื่งต้นไม้ที่ท่านไม่เคยรู้จักว่อนต้นนี้ต่ำดีกว่าต้นอะไรนี่ขโมยถ่นคืออะไรอย่างนี้ความสงสัยสอาอรหันต์มีในประเทศอย่างนี้แล้วอรหันต์ประเทนี้น่ะเป็นปัญญาวิมุติอรหันต์ตบุคลไม่ใช่เีโตวิมุติอรหันต์ตบุคลเตโตวิมุติจะไม่จะเอาไปถามเราน่งเอาสมาบัติเพื่อรู้แล้วอาไปพิพิสูต รู้แต่แต้มในเมืองไทยแล้วรู้ชาตถึงกับเรารู้ผาหางน่เด็กเจตุลิมุตเขาไม่ไมไมอภิญญาเขไม่ต้องไม่เชื่วถามไปเขาอ่ะทะลุอาหที่แนีอภิญญาเลยแต้อ ง, ออาองถามเข้าในะถานที่ที่ทานไม่เคยไปอย่างนี้วางสูงสายเะเทศอย่างนี้นปปเลยว่าปฏิรูปวิจิวิจิตรขาเรียกว่าปฏิรูปวิจิตาตัวการสูงสายธรรมนั้นทั้งบัญดาลิมุเตเจตุลิมุตล้วลับไปหมดเหมือนกัน มัีความจางท้าไปได้ทั้งสิ้นไม่มีเลยถ้ามีแล้วเราอิธานเลยโสดาเป็นไม่ได้แล้วถมีเพราะว่ามิจิานและมักมักติกของโสดาโสดาปิมักกต่กานแเป็นสมุทเถยทั้หมดวางคางแขงว่าเอจะไปอภิธานดีหรือไม่ดีหมดมวางทางแขยังยังพวกเราเนี่ยเราจะรู้เราเป็นโสดาหรือไม่วัดจะงานเดียวเรียกว่าว้นอโสตาปฏิยังม่เวนสองามเต็มโสดาบารมีหกดว่าหนึ่งถามตัวเองว่าถึงหาเราบริสุทธ ทั้งพิจารณรับไหมขับไปหน้าไปเลยสุขทั้งพิจารณารับนะนี่เป็นดิกรีข้อห่ข้อที่สองถามตัวองว่ายังสงสัยทางขาในเขาบอกเขาทำมาสงหรือไม่ซส่งทางขาบอกเออพระพุทธเจ้าทำดีจริงร้วยนี่อย่างนี้ยังมีในใจอีกเปล่าแลยังทางขาว่าที่ทางนี้เราจะไปดีหรือดีหรือ n อเดี๋ยวนี้ถ้ายังมีางหนออยู่นีแลวก็ไม่ใช่โดาถึงที่าจะโมลิศก be ็ไม่ใช right? ่โดา โสตาปฏิยังข่านหนสันวาวิคุณลัสองหนึ่งสีห้าจะมาหดติบริสุดธิ์บริบูรณ์ทั้งในที่แจ่ตสีรับสองหมดความมีปิติาในพระไตรรัตน์เท่านี้คนนั้นเป็นโสดาแล้วคนนั้นเป็นโสดาลูกตัวเองว่าเราป็นโสดาบันเทียนแค่นี้นเรียก ว, ว่าโสตาปฏิยังขผู้ชี้แจแล้วนะเทียแค่นี้เองกรู้นนว่าเราเป็นโสดาแล้ว อ, อย่างนี้นี่ท่านา บ, อาบอกว่าบอกว่าจะผปนิพันในชั่วโมงข้างหน้า ายังต้องร่างรอเรายังไม่ได้ลาลุลามียังไม่ได้ทำพินัยกรรมา้ยังไม่เอายังไม่ยังไม่ยังไม่ปชั่วโมงหน้ายังไ่ไปชั่วโมงหน้าให้เดินหน้ายังไม่ปรยัดไปเลยเหน้ายังมีรอโหนายู่เลยนี่แปลว่าเราไม่เล่ไ้แล้ว่ยไม่ใช่ไม่ไไม่ใช่เนียไมึ้งเขาแห่งความกระาแหละนี่ย่างเนียไม่ถึงนี่เพราะเหตุนั้นในบาลีท่านยังพูดว่าอ่าภูเคโอซติมะธรรมิติญาณังาภัทรานิทานังญาณังเนติ ดูปองซิ ม, ม, มาธรรมทิฏฐิญาณแเกิดก่อนนิธานญาณ น, น่ะเกิดตามมาทีหลังมีพระตะพดนะแต่ในสังสังติกายประจับิุซิมะว่าดูกองุิมะมธรรมทิฏฐิญาณ น, น่ะต้องเกิดก่อนเกิดแล้วนิทานญาณจึงจะเกิดตามมาทีหลังไม่ใช่ว่านิทานเกิดก่อนธรรมทิฏฐิญาณเกิดตามไม่ใช่ธรรมทิฏฐิญาณน่ะแต่อะไรเคลื่อนที่แบนาบันดาถี่สงไม่เค ย, ย, ย, เยรักต่อหน้าอันอนี้จากพุธาตาุาร ชื่อว่าธรรมปฏิยานเมื่อเห็นตลักษณะอย่างของแท้แล้วนิพพ า, านยามจึงเกิดตามมาไม่จงนี้ไม่จะว่าอยู่นิพพ า, านยามเกิดขึ้นก่อนเพราะเหตุนั้นโตดาปฏิมริกิตปะหารปฏิกิริษาดวงนี้หมดแล้วจะป่วยขาดใยายกับอัหัสมริกิตลายเพราะเหตุนั้นในกายเแล้วว่าจึงไม่ยอมรับว่า พระคอรหันก็อาจจะมีคามสงสัในธรรมะดาวแต่แยอมรับว่าอาหรันประเทศปัญญ า, นานมุสลิมมีสตริระคุติศีาษะไดา้ดิปก า, ารชนิษอีกข้ อ, นน อ, ขอนาหนึ่งคือข้อที่ว่าพระคานหันจะได้รับผลตากใช้สมุนไยรกองไหมไม่จาเป็นข้อ น, นี้มมนจำเป็นไม่พอตูกเป็นอันมากเป็นพันพนตูลงท้ายแสดงว่าค า, ารัน้ว่าขาสิทิแล้วพระมรดจจบแล้วทิศอื้นจะทำอี ก, อกอมไม่มีแล้วขอนี้เป็นข้อิสูจ์ของเราแล้ว ไ่ดิแต่อย่างนี้ทั้งนั้นพราะฉะนั้นนิกายปรคอนข้าเขามบอกว่าวาเห็นว่เจ้าเขากันได้ก็จะบอกอัญญาเป็นตนพันโยอัญญาเป็นต้นพับโยแหละว่าคนอัญญาเป็นญาณเหรนอัญญาเป็นญาณเหรอออย่างนี้ทำไมก็แปลว่าองค์ัาตนม่ใช่อัญาโปนอสิไม่ใช่คำนู้นเลจะคำปัญาตนอันี้เป็นคำสัตว์ที่พระองค์มุทาร์เรื่โสมนัสอินทรีว่ามีพระอัญญาบุคคลขึ้นมาเป็นสัตว์พยานไม่ศกษาต้พระองค์ว่า ตักิ์ก็องนะคนปฏิบัติได้แล้วก็ถึงได้ตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติแล้วถึงแล้วจึิงคนสักขีพยานคนอรรมญาเป็นคนจะมีสักขีพยานแต่พระองค์พลาดว่ามุธทานของมีจริงพระองค์ถึงแล้วแล้วธรรมะที่อื่ก็ถึงตามเลยจริงพระองค์ถึงความเป็นสัมมาสัมพุทโธในขณะนั้นแหละในขณะที่พระองค์ทานว่าอนยาติตะโกุลดันโยดันอากิตะโกดันโยในขณะนั้นแหละประกาความเป็นสัมมาสัมพุทโธอย่างบริบูรณ์แล้วแะเพราะอะไร เพราะี่ไย้เขาค้นสังคมค้นหาเขาค้นโพผู้ติดเจ้านั้นนอกจากศัตรูเองแล้วต้องตา ม, มารถสนให้รู้ตามที่พระองค์รู้ได้แล้วันญานโยนทันยานี่เป็นคนคนแรกที่จะ้รู้ตามที่พระองค์รู้คือได้ถึงความตามที่พระองค์ถึงเป็นพระโสดาอย่างนี้จึงไดเปล่งเรื่งพระพุทธบาลปิติด้วยความสมเหติเหิุผว่าอันญานิวัตโพกนันโยอันยานิวัตโพกนันโยอันายานโยนทันยานี่ ได้ด Ph ูแลหนอได้ดูแลหนอไม่ใช่เป็นคำพยากรณ์นะเพราะอันยาโกมันญาได้มักผลแล้วไม่ใช่หรือเป็นมีกรีรับรองว่าอันยัโกมันญาไม่ใช่พระอันยาโกมันญา้คองว่าท่าได้แล้วท่านได้แล้วรู้ตัวเองแล้วเรื่องสาคุกเรื่องหคือเรื่องพระกุศลติกุลบุตรพระกุศติกุลบุตรนี่นะไม่เคยรู้จักเข้าแหวท่านพระองค์มาก่อนเลยแต่ว่ามีความเลื่อมใสในระดับศีลธรรมองค์กมเจ้าแล้ว รับกิักทั้งแล้วก็มีความเลื่อยสอุทิศมังพ า, าออกบวชเฉพาะพระผูะ้มีสภาโดยไม่ทันได้เศาพระองค์แล้วก็เดินทางจาริศมุ่งมาจะมาเศร้าพระกิตจตจิศกสิ์ที่สาวัตถือแต่พระเอินมาถึงประตูเมืองก็พอดีเวลาค่้าประตูเมืองสิดเข้าเมืองไม่ได้ก็ตั้งใจรอไว้ ว, ว, วันลุ่งขึ้นจะเข้าแวะไปพักหนึ่งที่โรงในทางบอกะเอิขึ้น เขจะเจ้าก็เสด็จผ่านมาแล้วก็แว่ขะตุในโรงของนายกุมพการคือในข้างบอกสด็จผ่านมาหลายบ้านทีเดียวมาถึงเือในงอเขาามในข้าบออกว่านี้่อนนายเรือนทำหมองท่าน่ะว้างว้างดีทำไปเป็นการขัดข้แลสถาคขอแรงคือคืนหนึ่งจะได้หรือไม่ม่ขางอพูดต่ว่าได้เจ้าค่ะแต่ในเรือนนั้นมีกบุตรทุหนึ่งอาไัอยู่ฝพระองค์ ไม่ขัดข้อในลังเกียจแล้วตนนุนเถอพระองค์ก็ดมฤริในพระทยบอกว่าเออธรรมดาความวิเวกเนี่ยยอดเป็นที่พอใจของผู้ที่สังหารโลกกระทำรูบบพวูี้เนี่ยได้ทานบ้านเรือนมันเจนินมากแล้วต้ไม้ยอเปีนอาไัยน่าอาศัยอยในข้างหม้ออยู่เออคนอย่างนี้เราประ า, าจจะอยู่ร่วมแรงคืนได้ดก็เด็นก็เป็นข้าไถึงนกระบบพวนี้นั่งอยู่วิริยาบนอาชาเอียบล้ว แต่ผมไมยมอมผ่านไปผู้รบผู้นี้ก็ไม่นอนเข้าสมาธินั่งทำกรรมฐานสงบอิรดียหมดทั้ตัวเองเป็นไปอยู่าาพระาทนาเห็นอย่างนั้นก็เรื่องใสในอิรียหมดก็ดำบิกเทพไทบอกเองภาทีของผู้รบผู้นี้นะ่ะเป็นผู้ที่สบาย้งาสงบกรรมเป็นแน่หากจะอะไรจะทก็จะองถามดูก็เลยประพักขึ้นว่าดูก่อนท่านผูเจริญ ท, ท่านบาอิษฐใครนะ่ะใครเล่าหนอเป็นบาทดาทา่าน ทนมุ่งมาที่เมืองสาวัระีนะเพื่อหาใครหาอย่างนั้นพระภูษาสาิกรบุตรก็คุ้มหรอว่าเราชื่อภูษาสินะเราทิศตอบพระสัทยาโมนีโคตมะพระพุเจ้า พ, พระองค์นั้นเรามาที่เมืองนี้ก็เพื่อจะมาเค พ, พ, พระองค์พระพุทธเจ้าพระบรมินทร์พรายโอเข้ามาเคาะเราแต่ก็เราเราอย่างก่อนจะไม่เกิดเลยพระ อ, องค์ก่อนจะระดงธําให้ดูให้ฟังก็บอกว่ารู้ก่อนคุ ร, รบุตร ถ้าเะ่นั้นแล้วเราจะแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นให้ฟังท่านจะยินดีฟังไหมพระภูษาติดกุบุตรก็บอกว่ายินดีพระเจ้าค่ะก็ฟังทีเดียวพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมตั้งแต่คำสุขีกะถาเป็นต้ๆยกอรียปาแสดงพระภาติกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมแต่อนาคามีในณะนั้นเลยกอไดแ่อนาคามีตัวรู้แล้วเ่าพระแสดนธรรมไม่ใช่ใครคือพระพุทธเจ้าเองลกขนจากที่ได้ทำทีวันผองเมาสุที่จลัวลงกับพนคนบาาแล้วก็คงแบบว่า ข้าเจ้าป่าอตโยโต้เป็นไปตามลายที่เป็นไปงงเกินไปแม้แต่พวกเด็กผ้าที่ข้าพระองค์ประอาดตีเสมอโดยใช้คํข้าว่าหงส์กับพระองค์งนั่นน่ะเป็นกนารร่วงของข้าพระองค์ขอองค์จงรับอตโยโตกอันนั้นของข้าพระอ ง, องค์โ ด, ย, ดยความมข้ารวมินเกิดพระพุทธเจ้าป่ารู้แล้วรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทาไมถึงรู้ก็เพราะว่ามีดวงตาเหมือนคำนั่นสิถ้าสิ้นแล้วรู้ว่าข้าไม่จะไม่สิ้นก็รู้สดเป็นลูกขันมแล้วเวลานั้น เพราะเหตุนั้นพระองค์จิงนตรัสวา่าโยธํามังสัตติโตมังสัตติติผู้ใดเห้นทํามผู้นั้นเห็นแลาวภูตตาสิกุระบุตรเห็นพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าแม้รูกปกาจะไม่มีใครแนะนำพระองค์เป็นใครแต่เมื่อแสดงธรรมุูตตาสิกงจิจิจางถึงองค์ทำเห็นพ็ธรรมกายแล้วกครู้แต่เมื่อแสดงธรรมภูตตาสิกงจิจิยา ง, งถึงองค์ทเห็นก็ธรรมกายแล้วเรู้ว่าทนนี้แหละคือบุคคลที่เรียกกั้งมาทั้งถูมาเถิดแล้ว ท่านจึงไม่ต้องทักให้พระปาสดาแนะนำพระองค์แต่เข้าไปพูนถวายตัวพูนขอสมากรันอันนั้นกับพระป่าสดาพราะเหตุนั้นในกายบอกว่าจึงไม่ยอมรับว่าอ น, นุญาตของคุต้องอาศัยเขาถึเข้ามาให้ดีขรีนให้ประกาศปฏิบัติบอกว่าแต่กบรรลุขันนี้จึ็โสดาขันข น, น้นเป็นปสัศน์ชาคาขันน้นเป็นอานาคาขันนั้นจะคารานไม่จําเป็นปฏิบัติแล้วรู้ตัวเองแล้วบอกคุณจะเป็นอะไรบ้างต้องรู้ตัวเองดูเป็นไปอยู่ต่างฟ้าโคตรคาหัวถืโยกมาของเรื่อง เห็นจะพอั้เถตดได้พอประมาณนี่เป็นประการหนึ่งปัญหาอีกข้อหนึ่งในกระเพาควัตถุที่เป็นทิ่ถิ่ของสาตวมีกายคือมีกายหนาตั้งที่ก้าที่กลาวว่ามรัคผลจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนคาบอกคุกหน่อคุกหน่อแล้วก็คุกนี่เป็นคุกขาหาโอ้คุกเป็นอาหารเป็นมรรคข้งข้างเป็นองค์ของมรรคพวกนี้เป็นองค์ของมรรคนะเป็นเป็นเป็นปริปริตายาคว่าเป็น ให้บรรลุนุนงเข้าสู่บริเยตปริยะาปัญญาทำได้ข้อนี้นี่กายเทระวาดไม่ยอมรักต่อเรารับรองแต่เพียงว่าการจะเข้าถึง น, นิพานนั้นบนุคคลจะต้องกำลังหัวทุกเรายอมรับเพงนี้นทกไม่ใช่เป็นตัวที่ให้ถึง น, นิพานโดยตรงโดยถึง น, นิพานโดยตรงคือตัวมันไม่ใชตัทุกพกเป็นเพียงแต่เครื่องมือสาหรับให้ให้ไปถึง น, นิพานเครื่องมือ เป็นเป็นตัวเี่นว่ให้เรากำหนดรู้พวกนี้อ่ะอารยศัท่านจนเิเนแบ่งสิบข้ออารยศพอย่างเป็นอย่างถูกต้องว่าพวกนี้จะต้องกำหนดรู้นะกำหนดเรียกต้องกำหนดรู้ส่วนตัวไทยคือเหตุของพกจะต้องละอ ม, จ ะ, ออมะจะต้องรู้ไม่มีนีโลจะต้องทาให้แตกท่านบ่งท่านเดอดแล้วเพราะเหตุ น, นั้น เพราะว่าที่จะให้ถึงนิพพานน่ะได้แต่องค์ของมรรคไม่ใช่ตัวทุกพุกเป็นเพียงแต่เครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองนี่กลเป็นรื่ว่าจริงค้านข้อผิดหวังทุกนี้่ะเป็นมรรคทางทางปองค์ของมรรคเราไปถึงตองนองค์ของมรรคยังเด็ดขาดพุกไม่ใช่ตัวมรรคไม่ใช่องค์ของมรรคถ้าพุกเป็นมรกแล้วอกุลไม่มีไม่ได้ที่เป็นท้เวตกขิตมรรเป็นท้เวตาขิต เป็นปฏจิกาตะกัจจกตรูสมไทัยคือปัานึ่งเป็นตัญหาตะกัจินี้โยกคือมีฐานนั้นเป็นปัจจิกาณิตต้องทำให้แก่ส่วนมากหรือมีรูทกศน์ปฏิกขาอริยสัจนั้นต้องเป็นพาเวตะกัจิคือต้องอบรมใมีขึ้นสหารเรขาก็เป็นเมฆคังแล้วเราก็มอบรมพุทธเจดีอมทำไเพราะว่าพวกมันจะหนีมาหีจะละทิ้งมันอบรมตะกัจจธรรมมันมีเยอะ ไย่ง น, นี้เราพอใจหรือเราไม่พอใจเราต้องการาต่อยาตำละที่เปรี้ย อ, อันนี้แหละท่านยิง อ, องน่กำหนดรู้เพียงทุกหมรู้กำหนดรู้ทุกลอวคิดในรยสั้สีนะเป็นไปในขณะเดียวกันหมดในสมัยได้กำหนดรู้ทุกในสมัยนั่นชื่อว่าล่ากมุไปถ้าไม่แจ้งซ่ง น, นี้โรคแล้วก็อบรมสิ่งมักนี่อบรมสิ่งมต่คู่ในขณะเดียวกันเนี่ยคู่ที่ในขณะมัคจิตรผลิตนะนขณะมคิตร่งก็ เป็นักตะมังคลีนะตอนแรกจะเล่นเป็นนักขจิตนะนม่ได้ทำทีระยำจะได้อกว่าอกตอนนี้ม so, ักก็ทาว่าในขณะจิตตำรวจรูกทุกในขณะสมัยใดสมัยนั้นก็ะชืบอ่าเป็นการอดมมักทำให้เกิดในนีรูอของน้อก็มักคังคังทุเป็นมักคังูกแล้วสินี่กายใจจะมัเข้ามาเทว่าแต่บางทีจะเข้าใจจิตจากในยาก่อนี้คือบอกมีพุทธพาแสดงว่าจิตอเรียสักสี่นะไม่มีไปในขณะจิตเดียว มไม่ได้ยาก่นาดไม่คำว่าขนาดจิตเดียวในที่นี้สมัยเป็นนักขจิตในขณะที่ประชมเป็นองค์มากแล้วทำหน้าที่ประสานกิเลสเพื่นสมุทรเทพจริงๆว่าขนาดทาจิตขนาดเดียวนะอาจารย์ในที่ใต้อื่นเข้าใจความในข้อข่อนี้ผิดไม่จัดในคำวมาขนาดจิตเดียวค่ะเป็นอะไบาย่ไม่บญญนะขขอกพวกกายาดอกนี่เป็นนักขังเป็นองค์ของมากไปรู้ไหมว่าวามในข้อ น, นี้ หมายถึงขนาดของมัคจิตซึ่งมีอยู่ขนาดทั่วโลเดียวกันเองขนาดเดียวมัคจิตเกิดขึ้นขนาดเดียวแมน้าที่แหารทกิลสตะมุเชตขณะดนั้นแหลกจิตเอายาตัสิสะพมพร้อมในขณะนั้นท่านเปีชั้นท่านยังเปรียยเหมือนกับตะเกียงฟความสว่างเกิดเมื่อเราุดไฟตะเกียงขึ้นความสว่างปรากฏความร้อนปรากฏมหมนใส้ปรากฏน้ามันแห้งเหือดปรากฏทั้งสีอย่างนี้เป็นไปในขณะที่ไฟสว่างวับขึ้นในขณะนั้น รูวเผาไหมความสว่าวงมีความรออ้อนมีน้ำมันรูดแห้งถึงไม่ได้ไม่เห็นกาแห้งกับเตาหูหามันก็เร่มแห้งถึงระเล็กเกียว้อยแล้วรูมแห้งละแห้งแม่ แ, แต่หนึ่งประมาณนูก็ถือว่าแห้งแล้วเนี่ยจิตเนรียตสีในขณนะมรรคจิตเกิดขึ้นดวงหนนะึ่งนั่นหะฉันได้จิตที่จะเตือไม่ใส่ใหม่น้ามันให้ความสว่างให้ความรอม้อนก็ไม่เป็นไปแม่ไันนะอันนี้อาจารย์เหล่าอื่นนี้ใดเอ่เข้าใจผิดไม่จับผิดเขาบา พุกสมมติไตรโรกมากติดเชื่อสี่ประชุมครัในขณะจิตมรรคจิตทำหน้าที่รู้พุกละสมมตไทยทำให้แจ้งตื่นิโรธอบรงถึงมรรคไมเข้าใจผิดจับเชื่อคำนี้มาตีกวาว่าทุกนี้เป็นองค์ของมรรคมรรคทางทอย่างนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการมยามความหมายต่างคนก็ต่างยา ม, ามตกลงไปผิดไปนี่อีกประการหนึ่ง นี่มีบเป็นลักษของในกถาพุทธ์ต่างนิกานะซึ่งคัโมครีบุตติดจักในข้นหรือว่าในคำพิจารณาพุทโดยยืนหลักเทวาสีขั้นเอาให้เหุผลนงที่ได้เจรไนมาอย่างสังเขตเอาาวาจากว้อย่างนี้ยังมีอีกเืองกี่ยวกับลักษณะผ้ารันคือว่าอีกวิไายหนึ่งชื่อว่าวิกก่พระวาปฏิวาภัหรือในบาลีที่ถือว่าสัพพิกวะวิไก่นี้ถือว่าผ้ารันน่ะ สื่อมจับมากขนดวแต่อาเรยบุคคลบ่วงจับสามไม่เสื่อมเอคนาคาไม่เสื่อสกทาคาไม่เสื่อมโซาไม่เสื่อแต่อารหันเสื่อาระหันโลกเศไม่เสื่อมอาระหันต่อเทศสมัยยอิมุติบุคคลอารัมีประเภทอสมัยยิมุตติดบุคคลประเภทหนึ่งสมัยยิมุตติดบุคคลประเภทหนึ่งมีสประเภท มะนยังม่งติอาหารได้ของบุคคลประเทอะไรได้แก่พระอาหารที่จะต้องอาศัยถึงแวกร้อมช่วยถึงจะไปรลุมรัคผลได้เช่นว่าต้องอาศัยกำลังกลัางกายแข็งแรงรุปภาพดีเจริญนิพัานาและเป็นทหารประการอาศัยโพชนาสัตยยาอาหารการถูกฐานถูกต้องอุดมสมุนไม่แห้งแล้งสวยคืนไม่ขาดวิตามินแล้วต่ไปจะเสี้ยงนาเป็นหารหนึ่ง เรื่องโฆษณาสบายะนะเศรษฐาชนะสบายะที่อยู่อาศัยสบายสิย่เมืองบางสบายไม่เดินไปไหนร้อนไปสบายไม่ไปอยู่ในประเทศร้อนเกินไปคนที่หนาวไม่ไปอยู่เมืองหนาวคนที่ร้อนไม่ไปอยู่เมืองร้ออาศัอาาายอินฟ้าจากเศรษฐาชนะสบายแล้วเจะเลิกวิจากณ์ไปอาลประการหนึง่งแล้วก็ อาศัยคารมณะกัปปายะอารมณ์เป็นที่สบายได้จะอารมณ์กรรมฐานฝึกเจริญของตัวทาไปแล้วสบายได้แล้วเป็นารหาหนหนึ่งอาศัยการสังเสวนาณะกัปปายะดดการต้องเตะกับมิตรถูกอัตยาใส่ใจคอสบายมีมมยพพทิฏฐิสามัาตารีเพราะมันสามัญญาตาครับอย่างนี้แล้วจะได้ับนาเป็นฆาน ห, หนึ่ง คือเราอาาหารปรต่อไปถึงว่าามหนักน้กลาวเนี่ยเป็นอาหารอร่อขึ้นอาหาอย่างนี้่าสมัยจะมีมุทหะขันคือลูกค้นเป็นสมัยสมัยลุกข้นเป็นสมัยสมัยขำดีเหมือนกันนี่ลุกข้นเป็นสมัยสมัยว่าอร่อในประเทศนี้ถ้าไปเจออาหารที่ไม่สบายะเสื่มได้นะไปเจอไอเสนาตะนัไม่สบายะก็เสืมได้นะไปเจอเวลาล่างกายสุขภาพไม่ดี À, อแทนลงไปเป็นไข้หว like mm ัดเลือล้มอนนอนเปลือกมักฝนได้ก็เสื่อมได้นะนี่อย่างนี้ไปเจออากาศที่ไม่ถูกจะสบายสมมติว่าคนนึงเราเเอินไปจะมาสที่อังเกลืหนาจัดก็เสื่อมได้เหมือนกันเออเป็นอย่างนี้อาหาอย่างนี้ว่าสมัยยิมุติบุคคลอาหารส่วนที่เป็นอางสมัยิมุติบุคคลนั้น่ะไม่จเป็นต้องอาศัยอาาโโดเบือกขุ่มสายอาเลยไม่จเป็นเป็นได้อาหารนี้อาสมัยยบิมุติอย่างนี้ม่มีวันเสื่อมนี่ นิกายตพักติกวาฏะถือว่าอรหันตีสองขั้วดางที่ว่ามานี่แหละน่กายตระ ว, วัติจะไหวท่านโมคคีมุติตาท่านบอก้า้นทีเดียวไม่ยความ ท, ทีกระถาวถูกส่สาค้า้นบอกว่าพวกทิ่นอย่างนี้เข้าใจผิดหมดเข้าใจควา ม, ามหมายเขาบอกมั ย, ยากิมุตติบุคคลอ า, าสมายยกพิมุตติบุคคลผิดขาเขาบอกามัยแยิมุตติบุคคลในความหมายกายตวัานั้นไม่ได้หมายถึงแค่อรหันต์บุคคลไม่ได้หมาย แต่หมายถึงข้าอาญา บ, บคุคคลเบื้องต่ำมีโสดาบันเป็นตัวโสดาบันน้าเป็นสมัยยอบิมุสนะไอ้เป็นสมยัยยอิมุสนะโสดาบันเนี่ยแล้วเป็นโสดาแล้วที่จะเตือนนะ่ะไม่ใช่เตือนจะพักฝนเตือจากทานสมาบัดทานสมาบัดถงก็โสดาบันเยเตได้โลภี ท, ทานอนะ่ะที่ได้ได้กอนเป็นโสดาหรือแม้เป็นโสดาแล้วทานสมาบัดที่ตัวเคยได้ก็ได้ เสื่อด้พะโถดา น, นี้เสื่อมดแล้วที่เสื่อมไม่ใช่เสือเ่อมเพราะเหตุที่ว่าอาหารไม่ถูกรัหรือว่าสภาพไม่สมบูรณ์หรือว่าที่อยู่ไม่สบายหรือว่าอากาศไม่เหมาะสมไมไ่แต่เสืเเมเพ า, าะวัฏเพธมาเรีย้แค่เฉาวัฏวัฏเพธะความทำลายใหวัฏตาอะไรที่วาความทาลายแห่งวัฏตาขั้นยกตัวอย่ยาง ไนอัตตาแหางคำพูดบุคลาภัณฑ์ท่านยกตัวอย่างยกตัวอย่างบอกว่าวัดจะเทนฆ่านะยกตัวอย่างเช่นรพระโสดาบันก่อตอนเช้าอุบบาดออกจากวัดไปดินสบายไปมาที่ลานวัดเห็นเด็กมันเล่นกองทรายเกลือนกราดหมดก็ตั้งและตั้งใจบอกว่าเออเพลนี้หลังสังเพลงแรกจะมาเสร็จกว่าร้อยหน่อยแล้วก็ลืมไปลืมไปกลับมาเข้ามาบัติเฮเข้าไม่ได้ แต่้ามิดตะโขวงว่าเอเราตั้งอยจะทำอะไรงานก็ชิ้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทำมาอะไรเนาะนึนกไม่ออกเข้าสมาธิไม่ได้เข้าฌานก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าปะพาเพณีครับเยใช้สมอกเรจะทำงานชิ้นไหนแล้วก็ลืมแล้วไม่เป็อะไรไม่ไปออกเนี่ยแล้วเลยเข้าฌานสมาธิไม่ได้อย่างนี้เป็นว่าประเพะีครับเขาเดาปเปลี่นได้อย่างนี้ไม่จะเปลี่นจากนะึกเปลี่ยนจากผล แต่เพื่อนจากทานตักสมาบัติไนดะ้ทานลึกขึนลึกขึ้นได้แล้วไปทํา ง, งานอันนั้นเสียกลับมาใจมีกระติตระหวงแล้วเอามาบัติได้ตามเดิมทุกอย่างนี่การเพื่อนจากทานสมาบัติจนก็โสาไม่ใช่เพื่ อ, เอนเพราะกิเลสปัญหาไม่ใช่แต่เพื่อนเพราะงานที่ข้าง้างก็ได้ทําและลืมทํางานที่สั้งใจจะทําแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างนี้เรียกว่าสะเอคาแม่อย่างนี้ อ, า น, อ น, นาคามีบุคคลไม่เพือน เพราะอะไรอ น, นาคามีบุคคลน่ะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสมาธิบริบูรณ์นั้นถึงพร้อมด้วยสมาธิแล้วอ น, นาคามีบุคคลไม่เสือ่อมโสดาปาาิกขาทำไรสิขามีสีละสิขาดส ม, ม, มุนทรอนาค า, า, า ม, มีติขาดจิตติขาคือสมาธินี่แหละสมุนทรอาลันนั้นใจติขาดส ม, มุนทรเพราะนั้นอาลัยไม่มีวันเสื่อมเลย สมัยยัมีมุสุิคนจึงหมายถึงพระโสดาบันก็อไม่ใช่หมายเป็นพร า, าหลานเลยแล้วต่อไป็นโสดาบันที่เสื่อมก็ไม่ได้เสืออเส่อมจากมักผลแต่เสื่อมจากตามสมาบัต ท, ทั้งเล่านี่ตามความหมายใ น, ในกายจิราวัตรเป็นอย่างนี้เราจึงคัดค้านว่าขึ้นชื่อว่าอะไแล้วไม่มีเสื่อมรออจากมักผลข้าที่กายจักรพิจิกวัตรนี่เป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งในวันนี้ก็เห็นจะฟ อ, องคุณในเวลาะนะะว่าแต่ประมวลเล่าถึง ข้อความในคำสีกระททาะไมถูกเกี่ยวกับคุณมาต้องปัิบัติธรรมอาหารตายในากายเห็นกันอย่างไรและมีกายจิรวัตรน่ได้แจกแจงคัดค้านอย่างไรยืนหลักในการจิระวัตรอย่างไรประของควรจะเวลาได้ทักชั่วโ ม, มองอย่างมั่งก็อขอจบปาสกถาในวันนี้ถึงตร่นี้ก่อนนะ มีบัญญัตที่สกติคว่าสี่ขาบทันใดธรรมะอุณาข้อใดที่พระพุทธเจบังหัดแล้จะไม่ถ่ายถอนที่ไม่ได้บังหัดกะไม่สูรู้เพิ่มเติมข้อนี้ที่เาดที่รที่ช่วยในการพิุธว่าวยอย่อั้สมากรอืนาอาจจะเพ่ตข้อองนี้าจจะัดอนและออกไปแต่รับใครรับจะร ใช่ไหมเอาคามต่างระเจ้าข้าเองไม่ได้พระเจ้า้าม่ได้มกมางไม่เเป็นธรรมเสมอไปกาใหทำโดยไม่ทำเพื่อให้ทำโลยไม่ถูกเาทำทำไม่ถูกเราทำก่รเจ้าข้า่งหน่อิปะตายสามหนึงไลครับอาทปะตารกาทิปตะตายการมาทปะไายกปตะตาูกมาติด่นูมากไม่ถูกไม่ไม่เป็นยกย่างยกางทำมาทิปตะไาความชอบความติดเรื่อย Bitcoin. <laughs> <laughs> กญญารมนยะปฏิเศษาบาลีทานุ า, ญญาสาาานานี่มีมองยักระนยะรับคือยอย่างไรคือข้อความที่ทรรพระาาบรมตาสดาพันานาว่านิธานังเปรมังุขังิธานะเป็นบรมตุอย่างนี้เป็ยักระนยะอฏิเสธคือยอย่างไรคือคำปฏิเสธบอกว่านิธานะไม่ใช่ปัตวีเตชูวาโยอาโปไม่ใช่อาตาลาังกาจตนะวิญญาณังกยาจตนะอจิมกัญญาจตนะเในวััญญาณาปัญญาจตนะ ไม่ใช่ทนที่นี่ไม่ใช่พระอาทิตย์ขจัีไม่มีสิทธาไม่มีการปิเสนั่นแหละที่ส่งผลรักอธิบายอย่างนี้ยป็นไงปฏิเสธทาไมถึงตรงได้เราสองหน่อยยะก็เพราะว่ามีกานเป็นผู้ข่มลุ่มหรือคนที่สายแห่งตัดกับคือความตึงคว่าความรึงในที่นี้อพระองค์พูง่ายๆนี่าษปัจจุบันหมายความว่าตร์ปฏิเสธว่าการที่จะใช้หลักลอยิ์เพื่อจะแก้ไขพนิทานเราไม่ได้เรื่อง เล่นคารมไม่เล่นการหาเหตุผลในแง่โลกเล่นได้ใช้ ไ, ได้แต่ก็จะทำโดยใช้หลักวิชาลลอจิกเป็นเครื่องมือนะ่ไปไม่ได้ปฏิเสธยังนี้เวลานั้นอินเดียเป็นดินแดนผู้หล่อยุ่มีพวกเจ้าถอยหม้อความพวกเจ้าโตคารมมีมากมายโดยเฉพาะอย่างนี้พวกปริชาชกพวปปริชาชกเนี่ยฝึกที่ชาอรทายอราเติคือาาปษษัจจุันใน ว, วิชาไปอราตาิวิธีการอัสตรายตวาอย่างพวกนักปาตรกริใช้กัน อย่างโค้กติสเคยใช้เป็เครื่องมือในการแถ่ปรัชญาของเขาแต่ได็กศึกี่อภิตายปักข้อให้เขาเห็นข้อทากจูงความริ้วไจให้เห็นจับเหตุจับผลนิทานเป็นธรรมะที่เหนือเหตุเหนือผลจะเาเหตุผลทั้งโลกเอาหลักรอยดกทั้งโลกมาวัดนิพานไม่ถเห็นนั้นพระองค์จึงปฏิเสธว่าจะอาศัยวิทยาการปรัชววิทยาหรือลอยดิเนี่คือวิสัยแห่งการศิกถ้าอย่างนิทานไม่ได้รอกมีได้ทางเรียนต้องอาศัยทางปฏิบัติขัดเก้า ทางทางสันนิษฐานปฏิบัติคือปฏิบัติเรื่อการขัดเกลาวยวาจาใจเพราะงั้นเองที่จะถึงได้ลำพังให้คารุมจะใช้ความคิดแล้วก็เอาไปเหตุผลมาประมวลแล้วจะให้ถึงนิทานไม่้นทางมาคิดมตเตธอย่างนี้เนี่ยความหายในข้อนี้มีเจีตรงนี้นรครับสแล้วก็พูว่าเปนิานจะคิดไถึงตรองไม่ได้เอาไปจะคิดไ่ถึงต้องไม่ได้ครับเข้าถึงไม่ได้การคิดไม่ึกตรองหรือน่ะ เป็นทางตรงที่จให้ถึงนิทานไม่ได้ลาพังเอาไปหลับพูดง่ายๆเราพูดดีกว่าเอาไปหลับรอหยุด้คถึงนิทานได้ อ, อย่างนี้ดีกว่าถ้าบอกว่าคิดสมกตรจงให้ถึงนิทานไม่ได้แล้วทำง้นก่อนที่จะถึงนิทานทุกคนต้องคิดก่อนหนี่งคิดก่อนมาคิดอยากจะได้นิทานที่อยากจ ะ, จ ะ, จ, ะจะให้ถึงนิทานใช่ไหมฮะแต่เราคิดแต่ว่ามั่ใช่ตัวที่จะทำให้ถึงนิทานโดยตรงหากว่าเป็นเครื่องสนับสนุนเหตุนั้นเมื่อจังหีความถามต้องมีตัวว่าอ่า อะไรจะเกิดก่อนนิพพานยาณเกิดก่อนปัญญาหรืเกิดก่อนพรโซมบอกว่าสัญญาเกิดก่อนแล้วก็นิพพานญาณจะเกิดมาทีหลังต้องอาใช้ปัญญาก่อนครับปัญญากำหนดไหมลูกซะก่อนหมายรู้ที่ว่าตั้งใจว่าอยากจะได้นิพพานอยากจะบรรลุนิพพานเอาให้ความที่อยากจะได้อยากจะถึงเอาความอยากจะได้อยากจะถึงนี่ไม่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาอยากอยากปฏิภาณไม่ใช่ปัญหานะครับอยากสร้างอยากปฏิภาณนี่ว่าทำใม้ฉันท่าเป็นฉันท่าไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหา ขันธ่าไไปับกุศลเจตสิกันธ์ท่าอมาใช่กุศลเจตสิกไม่ใช่ไม่ใช่ขัน์ท่าไม่ใช่ขกุศลเจตสิกอันนี้เห็นขันธ์ท่เดี่ยนเป็นทำไมขันธ์ค่าการอยากบรรานอ่ะไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้คนตั้หาความอยากอันใดเป็นต้นตอให้เกิดทุกข์ความอยากอันนั้นจึงเป็นปัญหา่วนความอยากอันใดไม่เป็นต้นตอให้เกิดทุกข์นันความอยากอันนั้นเป็นเหยืขันธ์่าออกแยกประเด็นครับก็แยกว่า ผู้ที่จะรปขนาบวิถางนั้นคิดไม่ถึงเราได้แต่ในวีถีางนั้นคดไม่อไม่ได้ครับเอาต่อไปนะครับปัญหาต่อไปที่ว่ากระไตรี่โดมมีธรรมนายรวมทั้งหมดแต่หมื่นหมก่ันระธรรมกันนั้นขอทราบว่าเป็นแยกได้เป็นสาส่วนคือพระวิญญาณส่วนหนึ่งพระชนส่วนหนึ่งพระวิชันส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่บางท่นเป็นฝ่ายแ่าาบเป็แล้งว่าถรามีถีาไป่่พุทพจน์จึงทำให้คิดว่า ถ้าใม่้ายอมใพรอิธรอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วพระไตรปิฎกที่เราไว้ลงรงไปถึงแปดมืหเป็นเขาไม่ตีดกหรือเขาไม่ตีดกเขาตีดกตีกสอใครประนามว่าพระอภิธรรมควรจะนัดออกจากพระไตรปิฎกคนนั่นเป็นนิชาที่ส่ใครบอกว่าใครบอกว่าพระอภิธรรมอ่าใครบอกว่าพระอภิธรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนเรียนแล้วมันุ่มราบเกะกะคนนั่นก็เป็นนิาวาตีนะ แต่ว่าคภิธรรมนะ่ะเป็นเป็นเป็นอย่างไรอภิธรรมน่ะเป็นคาขยายความพุทธะพจ์คขยายความครับลักธ ร, รมะในอภิธรเนี่ยเป็นพุะตูนตูมากาูนุธขหน้าเขาบอกว่าจะพะนมีานนะว่าไม่รทำโยกนะอธิบายขัน้าทไม่มีอะไรเขันธ์ห้าเลยแล้วใครบอกว่าเนขน้าเปนพุทะพใครบออาจจะก่าวาน้าเปพุทะพจน์ขยายกวาแล้วคาขยายความเหล่านี้นะ่ะ พระบรมสาร า, าท่านได้สแสดงเป็นตัวอย่างตั้งแต่ครั้งปรจานพระสากเห็นรสวาิบุตรพสานิบุตรเป็นบมรมครูขอราที่ทำพรมหาปุณณะพระมหาตัตจายนะพรสานิบุตรพระโมคราระท่านเหล่านี้ได้ทาหน้าที่ขยายวาออกมาพระสาวามุกตุ่นต่อๆมาขยายวาออกมาเรื่อยๆแล้วก็รวบรวมตกลงกันว่าเทระวัตแม่จะต้องมีวาระอย่างนี้นะคือลำพังเขาสูตร น, น่ต่างิกายต่างมีแล้วถูกตกลงกันปูนใหญ่ตรงกัน ป่าะอย่างนี้นะคือลำพังข้อ ส, สูตรหนะ้าต่างนิจกายต่างมีเล่าสู่ก็ตรงกันสูนใหญ่ตรงกันข้อ ส, สูตรเนะี่ยสนใหญ่ทุกนิจกายตรงกันแต่ว่าการตีความในข้อ ส, สูตรซึ่งเป็นตัวพทธพจนแท้ๆนี่สิไม่ตรงเหตรว่าจึงจําเป็นจะต้องมีคําตีความคําขยายความที่เอามันเด็ดขาดรักษา พ, พสสุทธมรรติอย่างบริสุทธิ์สวายจึงได้เกิดคติธรรมวิโดขึ้นเพราะฉะนั้นไ อ, อ้คำน่ะคติทํามวิโดกแม้จะมีบางส่วน เป็นค่อยคำภาษาโม้มันจะพุทพจทธทั้งหมดนะภาษาเว้เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์อรหันตบุคคลนั้นมันใครมาประนามว่าคำเหล่านี้ใชไเวลาของเทวาประนามคำพระอรหันตมันจําเป็นต้องลุดจากพุโธอดทุก ค, คาคําาษาโ้่เป็นพระอรหันตที่ฉันขยายความออกมาขยายความพุทธพุทธทเป็นตัวมาติกาออกมาที่แบบกุศลธรรมะกุศลธรรมะปยาตาธรามกุศลธรรมะได้แต่อะไรไอเขามาได้แต่สัพพะัตังรังปังปนั้นเป็นขนาีเท่าไ แล้วก็ขยายกว่าทำขยายจว่ออกมาหนีแหละเป็นภ า, า, ารากาบะสิแล้วภาษาพวกนั้นลว้นนลวนแต่ท่านภาษาลีบุตรพระมหาคุณานี่ธรรมะข้ที่หนึน่งแล้วก็อ่ آ, า, ารมหาจานะนี่ผู้่ผู้มีเอตพคะในการกระจายทำยอ่อให้ทิสานจิมท่านสุดท้ายคือทมาคริบุตรติดว่าท่านงไปท้าทหารกั น, นแล้วใครจะมาาอาหา ร, หารนี้ยคุณจะ่งออกจากเขาใจดีดอกไดาคนนั่งจะเป็นขาที่จะทนไหวหรือ เพเหป็นการปรนนานธรามะของบุคคลเนี่เออเพราะฉะนั้นในลักษณการของพระธรรมเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับคือว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของภาษานักกาทางนิลุกติศาสตรีความบอว่าภาษาในพระธรรมน่ะใหม่นักบาลีในพระธรราน่ะใหม่นักอย่างคว่าอาราธณาจะทิตโควัยในอริธรรมก็ไม่มีต่อไปได้เห็นว่าเป็นการแต่งของอาจารย์ในขัานหลังต้องเปน่ต้องมี เพราะเดกล่าวแล้วว่าเป็นคําขยายกว้างของมันดาบาลานเจา้าซึ่งยืนหลักมาติกาอันเป็นตัวบทพุทธคด์อยู่แล้วท้าขยายกว้างออกมาคำนี้เองเพราะฉะนั้นอภิธรรมปีดก็จึงเป็นปีดกที่สําคัญที่ช่วยให้คนศึกษาหนาพ้นจากความเป็นนิชาที่สียืนหลักเทโลวาผีได้ถูกตรทงที่สุดอาด้วเส้นเขียนชื่อนะครับแล้วพว่าพระธรรมไม่ใช่เพราี่ไหนเยหลายที สองกมื่วานนี้ผมก็ได้มาจับการศึกษาท่านธรมะให้เป็นปริยปต้ปรโยชกันแล้ว่าว่าผู้เรนาามว่าารู้หรืและนเลาะถบาใค้ตอบไก็วาผู้เรีไม่ว่ามารอยงนนี้เรารู้ไดกว่าถ้าศึกษาถ้าใครศึกษาแล้วอ่านจะและที่ผว่า ไม่ได้คขอแต่การบริการอย่างที่เราศึกษาผู้จัดทำเองเจ้าที่เราศึกษาตั้งแต่ทำสิี้ศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะรศึกษาทุกยางนในปรด็นนี้แลวเรามีคำชื่อาชีพธรรมะศาสนาซึ่งครั้งนี้เขาเชิญฮัลพระอาจารย์เชิญจะอยู่ในที่ที่สมัยเก่าๆแต่เลขาที่มาทำสิ่งนี้เขาไม่ได้ท่งนี้เราไม่ได้ทำ แล้วก็เขาเลยถามว่าคนอนุทาจารย์เมืองหนัแต่ความที่อนุทายาขอเลียนก็ประกาศไปแล้ว่าเรื่องราวในบ้านเขาถูกเปิดเายทั้งดเลยแต่ยาดานันมาให้เราเลยอะไรแบบนี้ผมกินขอเลยไม่ต้องดูข้าวเลยหรือตอบผ่าถ้าอำไม่ได้ที่พ่อรายู่ที่บ้านปเดี๋ยวเลิแล้วเาอาจจะแวะดูต่อต่อปัญหาที่ว่า เรด้ต่อเรื่อง2น้านะอยู่ข้างับรรดาตูตสอนท่าทวบรรัาต่อไปครับข้าเจ้าการ์มนต้ทา่เดนมารู้เหมือนว่าทาคุกคาบิที่บรรจายมาแล้วใช้ดับท่านมาสุนัมีความเด่นเด่นเป็นเรื่องจริงไหมเออคนแต่งกามนต์เนี่ยเป็นชาวเดนมาร์กชื่อคันเยเ ได้อาศัยพ้อความาสุยพังกระสูในบาลีมาชิมนิการทาสุยทังกระสูเนี่ยกล่าวถึงกุาติกุรบุตรเรื่องราวของกุาติกุบุตรพระพุทธเจ้าแสดงธาตุาแบ่งธาตออกมาให้กับกุกุาติฟังและกุกุซา์ติได้บรรลุต่ออาศัยฟังจากกระสูดที้นะครับที่ว่าทาสุยพังกระูดข่านเดเดรุเป็นพุทธมารมกษัตริชาวเดนมาร์กเมื่อประมาณสัก6กสิปีกว่ากว่ามาแล้วเขียนหนังกำลมงิสตสูตขึ้น ประมวลผลงานจากคำสีสตัยปิดกข้ามหายาเถรวาทแล้วก็แต่งเป็นระวาณิยายขึ้นมาใช่ครับเอาเอาเอาควาคิดจากศิลปะศิลป์ในชาวตุรกีนี่ไปดัดแปลงมาตัวกานิดขนึ้นต่อไปนะครับบุกพลบุกพลข้บุกพลด้วยการทุกข์เ็เมื่อได้รับทุกขเวทนาแล้วเข้าคิดเวทนากำหนดจนเป็นลาภบุกพลข้าบุกพลในกา จะาผู้ถูกฆ่าคนฆ่านจะไมไม่มมเป็นรเมื่อไดล้ทุกขยนาแล้วึงนี้ขโมยธนากำหนดไว้จนได้เป็นะรแลวาตายไปในคุณบนั้นผู้ที่ทำราจะเป็นอาาธิการไม่ตอนตอนที่ทำร้ายอยู่นะครัคนที่ถูกทำร้ายยังไม่ได้เป็นฆาตกรก็ไม่เป็นอานตธิกรรคนถูกทำรานาน้ายขะนั้นยังไม่ได้เป็นฆาตกรนี่ถูกทำร้ายตอนนี้ในบุตรชนเมื่อถูกทำร้ายแล้วเขาที่มากำหนด พุกเวทนาเป็น เ, ทเวทนาลูกศรนาต่อไป ท, งทงางเดชบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นไม่เป็นอานาตเลียกรรมครับไม่เป็นตาที่ข้อต่อไปครับที่ว่ามีทิศจุดให้ท่านตัดผมเกื้ดคอตายใหมากจนจำนวนรอ้อยแสดงว่าเป็นเวลานานทำไมพุทธพง์ยังไม่ลงไ้้ด้วยัยานเป็นด้วย ต, ต้องไปถามพระอ๋อ อภิญาหรือฤทิ์นี่นะไม่ใช่ใช้ทำท่อมเรือนะครับผู้เช่าหาว่าผู้พิจารณาให้ท่อเรือทํามต้องมีสบาทุกบานโสัตว์บ่วยการนั่งชินซิทสออันดีกว่าไม่ต้องไไม่ต้องไปไหนเดินลําบากไม่ได้ขล้องข้าบาทด้วยไม่ต้องถูกน้ําถึงน้ำตาลออกไปปันตัดพิษกระพือเนี่ยดีกว่าฤทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นทุกอภินยาบอกตรงใช้ฤทธิ์เฉพาะในความจําเป็นเกี่ยวความเป็นความทางภาษาหนาแล้วจินใช้เกี่ยวกับการต้องการทำรู้ข้คนเข้ากับ ที่ขับขันขับจนคนนั้นเขาถึงขับจนถ้าไม่ช่วยเรื่องน้ก็จะไม่ทันอย่างนี้และทรงทายโดยปกติสามมาแล้วก็ไม่ทรงทายที่ขับเคือนทั้งทั้งที่พวกองค์มีริไม่ใช่ทำเรื่ อ, อเดี๋ยวนะที่คุณถามถามนั่นอรากจะทราบเป็นยง ว, ว่าไม่เด่นแค่ริเองนะอยากจะเปี่ยนทราบว่าท่านทำไมไม่ทราบว่าพระข้าตัาวตา อ๋อจะพลาดไปยังไงครับไม่มีใครไปป้องฉัน่ีใครไปเล่าฉันฟังแล้ว่ันไม่ได้อยู่จาเจคอนับคะแนนครับี่ขบยาในนั้นหรือขบยาถ้าบยาเขาเ็องค์น่ะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อจะรูพระในปกครอง้างผแล้วครับขบยาในั้นน่ะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์เจตนาจะให้เกิดอย่างพระราชิตจวิชานะเนี่ยที่ปะจับคู่คิดโถตพวกเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยมติใจจะให้เกิดขึนเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นปกติธรรมดา ปกติธรรมดาพระองค์ก็รับอารมณ์อย่างเราธรรมดารับเนี่ยไม่ใช่โมไปรู้มีตาทิพอยู่ทุกหยิบสี่ชั่วโมงหูทิพอยู่หยิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่